ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งนักปฏิบัติภาวนาจำเป็นต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรความอดทนภาวนาหมายถึงการขยันรู้ขยันรู้สึกตัวทำไมจึงต้องมีความเพียรมีความขยันด้วยเพราะว่าโดยปกติแล้วนักปฏิบัติ พอเริ่มต้นภาวนาเนี่ยจิตใจจะรู้สึกเบื่อเสงกับรูปแบบการภาวนาที่หนอกต่อเนื่องกันนานาแล้วซ้ำๆซากๆเพราะโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆพอทำอะไรซ้ำๆหน่อยก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปรับอารมณ์ใหม่ๆ ซึ่งไม่ใช่ของเดิมแต่การภาวนาเนี่ยคือการขยันรู้ในสิ่งที่เดิมๆซ้ําๆเพื่อให้จิตใจเนี่ยมันมีสมาธิตั้งมั่นเพราะนั้นจําเป็นต้องมีความขยันนะและมีความอดทนที่จะทําให้ต่อเนื่องกันไปเบื่อก็ต้องทําเสงก็ต้องทํา ทำไปเรื่อยๆเอาชนะจิตใจให้ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไปแล้วว่าถ้าเบื่อเนี่ยไม่ใช่ให้หยุดถ้าเซงกับการภาวนาก็ไม่ไม่ได้ให้หยุดให้ทําต่อไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องการขยันภาวนาเนี่ยก็ก็หมายถึงว่าเราต้องเอาชนะจิตใจตัวเราเอง ถ้าเอาชนะจิตใจตัวเองไม่ได้เนี่ยธรรมะเบื้องสูงก็จะไม่เกิดขึ้นโอกาสที่จะบรรลุธรรมหรือมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นจึงต้องมีความขยันที่จะทำแล้วก็เอาชนะใจตัวเองให้ได้แม้ว่ามันจะเบื่อขนาดใดก็ตามโดยลับฟังแล้วแค่ความเบื่อเรายังเอาชนะไม่ได้ แล้วเราจะเอาชนะกิเลสต้องพัน0ตัณหาต้องร0 8ได้อย่างไรกัน